148. ทิคุณาทิอุปาหณะปฏิเขปะว่าด้วยทรงห้ามใช้รองเท้าสองชั้นเป็นต้น 245. หครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรทั้งหลายกล่าวพยากรณอรหัตผลอย่างนี้ ชื่อว่ากล่าวแต่เนื้อความและมิได้น้อมตนเข้าไปแต่โมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินนยนี้เห็นเป็นของสนุกกล่าวพยากรณอราตตผลภายหลังจึงเดือดร้อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระโสนว่าโสนะเธอเป็นคนสุขุมมาลาชาต เราอนุญาตรองเท้าชั้นเดียวแก่เธอท่านพระโสนะกราบทูลว่าข้าพระองค์ละทิ้งเงินถึงแปดสิบเล่มเกวียนและกองคารวานประกอบด้วยช้างเจ็ดเชือกออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าข้าพระองค์จะใช้รองเท้าชั้นเดียวก็จะมีคนกล่าวว่าพระโสนะโกริวิสัก ละทิ้งเงินถึงแปดสิบเล่มเกวียนและกองกระวานประกอบด้วยช้างเจ็ดเชือกออกบวชเป็นบรรพชิตเวลานี้ท่านพระโสณะนั้นยังคล่องอยู่ในเรื่องรองเท้าชั้นเดียวถ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตภิกษุสงฆ์แม้ข้าพระองค์ก็จะใช้สอยถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตภิกษุสงฆ์แม้ข้าพระองค์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 ไม่พึงสวมรองเท้าหลายชั้นรูปใดสวมต้องอาบัดทุกกฏ